อันนับว่าเป็นคุณวิเศษที่สร้างได้ยากที่สุดเป็นบุรุษที่โลกรอคอยเป็นบุรุษที่หาได้ยากยิ่งถ้ามีครบท้วนทั้งสามประการนั้นจริงๆไม่บกกร้องในข้อใดข้อหนึ่งเลยในเรื่องการแสดงฤทธิเดชเป็นอัศจรรย์ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้เห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดก็คือท่านใช้ลมป่ากที่นุ่มนวลผ่านเจตนาอันบริสุทธ ผสมเมตตาอันไม่มีประมาณกลั่นออกมาเป็นเทศนาสั่งสอนให้คนในชาติเห็นและตรหนักถึงความสำคัญของโครงการพ้าป่าช่วยชาติอีกทั้งเราเชื่อว่าถวยเทพในสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเทวดาในทุกภพทุกภูมิก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุ ก, การในการแสดงอิทธิปาฏิหารในครั้งนี้โครงการผป่าช่วยชาติจึงสามารถรวบรวมเงินสกุลต่างๆอีกทั้งทองคาจานวนมหาศาล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 เจ้าประคุณของเราถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าเมตตาของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนที่ได้ทำโครงการพะป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนผืนแผ่นฟ้าที่โหมคลุมผืนแผ่นดินหลงชื่อบันณศาลา15กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2551เอด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 หนึ่งเดียวพระมหาบัวสุนรวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้องบูชา